ทุกวันนี้มีตัวอย่างผู้ที่ถูกมือแห่งกรรมตามทันจับได้มากมายคนสวยคนงามถูกมือของกรรมร้ายทําให้กลายเป็นคนสิ้นสวยสิ้นงามทนความรู้สึกของตนเห็นรูปลักษณ์ของตนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสคนบางคนแขนขาบริบูรณ์ถูกมือของกรรมร้ายทําให้กลายเป็นคนเหลือขาครึ่งเดียวบ้างข้างเดียวบ้าง คนบางคนมีลูกรักดังดวงใจลูกออกจากบ้านไปก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยมือของกรรมร้ายปลิดชีวิตของเขาแล้วยังโหดเหี้ยมอำ ม, มหิตกลายเป็นศพคอขาดก็มีไส้ทะลักก็มีคนบางคนนอนหลับอยู่ในบ้านเรือนของตนด้วยความรู้สึกปลอดภัยแท้ๆ แต่ก็กลับมีมือของกรรมร้ายเอื้อมเข้าไปห้ำหั่นถึงฟูกถึงหมอนเสียเลือดเสียเนื้อและเสียชีวิตนี่คืออำนาจร้ายแรงแห่งกรรมดังที่สมเด็จพระพุทธเจาย์โตท่านตัดสินความระหว่างพระสององค์ว่าองค์ที่ถูกทำร้ายเป็นผู้ที่ทำร้ายก่อน ผู้ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมก็จะคิดว่าสมเด็จท่านไม่ยุติธรรมตัดสินเข้าข้างผู้ผิดแต่ผู้เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมย่อมจะเข้าใจคำตัดสินของสมเด็จท่านไม่มีผู้ใดจะได้รับสิ่งที่ตนไม่ได้ทำไว้ด้วยตนเองทำไว้ในอดีตมารับผลในปัจจุบันได้ทำในปัจจุบัน ก็จะได้รับผลในอนาคตเช่นกันและอนาคตนั้นไม่หมายถึงต้องข้ามภพชาติเสมอไปอนาคตในภพชาตินี้ก็ได้ดังนั้นแม้เชื่อในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมหรือไม่เชื่อก็ตามก็ไม่สมควรเสี่ยงรับผลร้ายที่จะเกิดแต่การทำความไม่ดีความไม่ดีหนักหนาเพียงไร ยิ่งให้ผลร้ายเพียงนั้นยิ่งไม่สมควรเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะทำความไม่ดีหนักหนานั้นอำนาจของกรรมชั่วร้ายนั้นสามารถทำให้ธรณีแยกออกสู่ผู้ทำกรรมนั้นได้พระเทวทัต เป็นตัวอย่างที่แสดงความน่ากลัวที่สุดของกรรมท่านคิดทําลายพระพุทธเจ้าแม้เพียงทําได้เล็กน้อยนักคือเพียงทําให้พระพุทธบาทห่อพระโลหิตและสํานึกผิดได้ในที่สุดพร้อมจะขอประทานโทษแต่ก็หนีมือแห่งกรรมร้ายแรงที่ทําไว้ไม่พ้นหนีไม่ทันพระเทวทัตถูกธรณีสูบทันทีที่เท้าสัมผัส พ, พื้นธรณี ขณะ ก, กำลังจะได้เข้าไปเห็นพระพักสมเด็จพระบรมศาสดาจึงไม่ทันได้กราบพระพุทธบาทขอประทานโทษทั้งปวงน่าจะคิดถึงความทรมานทั้งกายและใจของพระเทวทัตเมื่อเสวยผลกรรมนั้นน่าจะคิดให้จริงจังเพื่อให้เกิดความกลัวกรรมที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นัก การทำลายพระพุทธเจ้ากับการทำลายพระพุทธศาสนาย่อมจะเป็นกรรมหนักเสมอกันพึงสังวรระวังให้รอบครอบในเรื่องนี้อย่าคิดอย่าประมาทว่าพระพุทธศาสนาไม่มีชีวิตตายไม่มีบาดเจ็บไม่มีจะทำอะไรกับพระพุทธศาสนาจึงไม่น่าจะเป็นบาปเป็นอกุศ ล, ลกรรมอย่าประมาทในเรื่องนี้มิฉนั้น เมื่อต้องได้เสวยผลแห่งการทำลายพระพุทธศาสนาจะทุกทรมานนักใครก็จะช่วยไม่ได้การทำลายชีวิตสัตว์นั้นบาปหนักเบาต่างกันทำลายชีวิตสัตว์ใหญ่บาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์เล็กทำลายชีวิตสัตว์อายุยืน บาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์อายุสั้นทำลายชีวิตสัตว์ที่มีคุณบาปมากกว่าทำลายชีวิตสัตว์ทั่วไปเป็นที่เข้าใจกันเช่นนี้ซึ่งก็มีเหตุผลที่น่าเข้าใจเช่นนั้นค่าวัวควายกับค่ายุงค่ามดบาปน่าจะมากน้อยกว่ากันผลกรรมที่ผู้ฆ่าได้รับก็จะหนักเบาวกว่ากันเป็นอันมาก มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและผู้ประสบพบเห็นเล่าต่อๆกันมาว่าผู้มีอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายนั้นเมื่อใกล้จะตายต้องทนทุกข์ทรมานดิ้นรนกระเสือกกระสนและส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวเสียงควายที่ถูกเชือดก่อนตายส่วนผู้ที่ตบยุงหรือบี้มดไปบ้างแม้จะเป็นบาปแน่นอนที่ทำลายชีวิตสัตว์ แต่ไม่ปรากฏผลของกรรมนี้ให้เห็นชัดให้รู้ชัดเหตุผลก็อยู่ที่จิตสำนึกของผู้กระทำกรรมสองประเภทนั้นผู้ฆ่าวัวฆ่าควายแม้จะใจร้ายใจดำสักเพียงไรย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมภาพการตายของสัตว์ใหญ่ถึงเพียงนั้นได้และย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกเลยว่าการฆ่านั้นเป็นบาปใหญ่ ความรู้สึกหลอกหลอนเกี่ยวกับการฆ่าวัวฆ่าควายด้วยมือของตนนั่นแหละที่ติดตามมาส่งผลให้ผู้นั้นต้องทุรนทุรายและร้องเป็นเสียงวัวเสียงควายเหมือนที่ตนเองเคยได้ยินได้เห็นในการฆ่าแต่ละครั้งเสมอมา บางคนที่เคยเห็นการตายของผู้มีอาชีพค่าสัตว์ใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้ใกล้จะตายนั้นไม่มีชีวิตจิตใจเป็นคนเส้นแล้วแต่ได้กลายเป็นชีวิตจิตใจของวัวของควายไปจริงๆเห็นได้จากกิริยาอาการและซุ่มเสียงที่เขาร้องเหมือนเสียงสัตว์ที่บาดเจ็บแสนสาหัสความรู้สึกเนี้ยจะถูกหรือผิดก็ตามที่จริงแน่ คือเขากำลังรับผลของกรรมที่ตามทันในช่วงสุดท้ายของชีวิตในภพชาตินี้และไม่แน่ว่าจะสิ้นสุดเพียงเท่านั้นหรือจะติดตามต่อไปในภพชาติข้างหน้าให้ชีวิตต้องไม่แตกต่างกับชีวิตของสัตว์ที่ถูกเขาเบียดเบียนทําร้ายอย่างทารุณการทำบาปเล็กน้อยเช่นบีมดตบยุง ไม่ปรากฏผลบาปให้เห็นว่าเกิดแก่ผู้ทำนั่นก็เป็นเพราะผู้ทำไม่ผูกใจว่าได้ทำบาปใจนี้สำคัญนักนำไปผูกไว้กับเรื่องใดสิ่งใดก็จะปรากฏให้เห็นเป็นผลเช่นพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านทำตะไครน้ำขาดและมรณภาพก่อนจะหาพระลงอาบัติได้ จิตท่านผูกอยู่กับความเป็นห่วงจึงได้ไปเกิดเป็นพญานาคส่วนผู้เผลอตบยุงหรือเผลอบี้มดแม้ใจไม่ผูกยึดอยู่ว่าได้ทำบาปก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยการทำบาปหรือทำกรรมเล็กน้อยเช่นนี้จะไม่ส่งผลให้ปรากฏถ้าผู้ทำไม่ไปผูกใจเดือดร้อนกังวลอยู่และถ้าจะไม่ทาเสมอเสมอ การทำบาปเสมอๆแม้ทำกับสัตว์เพียงมดเพียงปลวกกรรมเล็กก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่ได้พึงรอบครอบในเรื่องนี้เพื่อชีวิตจะได้สวัสดีการฆ่าวัวฆ่าควายก็ยังมีผลให้ผู้ฆ่าดูราวกับเปลี่ยนชีวิตจิตใจ จากคนเป็นวัวเป็นควายให้เป็นที่สลดสังเวชแก่ผู้พบเห็นได้การฆ่าคนจะมีผลเป็นอย่างไรทำไมผู้ร้ายฆ่าคนจะไม่รู้สึกเสียเลยแต่ด้วยอำนาจกรรมเมื่อตามมาถึงผู้ใดที่ได้กระทากรรมนั้นไว้ก็ย่อมยากที่จะยับยั้งผลแห่งกรรมนั้นได้ลูกยังลืมว่าแม่แม่ยังลืมไปว่าลูก ผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ยังลืมว่าพระว่าเนนพระเนนก็ยังลืมตัวเองว่าเป็นพระเป็นเนนฆ่ากันได้ทำร้ายกันได้ทำผิดศีลผิดธรรมกันได้อย่างไม่น่าเชื่ออำนาจยิ่งใหญ่ของกรรมที่นำไปเช่นนั้นและยังจะนำต่อไปข้ามภพข้ามชาติเกิดผลร้ายแก่ผู้ขาดสติขาดปัญญาที่จะพาตัวหนีไปพ้นมือแห่งกรรม ที่ตนได้กระทำไว้แล้วด้วยตนเองแน่นอน